มัชชิวตัวที่ห้าข้อสุดสี่สิบหกครับมัชชิวตัวที่ห้าข้อสุดสี่สิบหกนะครับมีพัดขั้วที่เป็นเล่มเปิดกันเล่มนี้พัดขั้วที่ดีมืเมอเปิดปดีมือถือนะครับนารคาเปิดใหญ่ๆนะเปิดใหญ่ๆได้ได้ว่ากันนะฮะเปิดพัดขั้วที่เปิดวิเชียรตัวเอฟใหญ่ๆสีฟ้าๆนะฮะเปิดกันสี่นะครับเจอกันนะครับ สองา น, นคะครับขอบคุณครับอ่านด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงสิบหกครับหนึ่งสองสามท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดมาหักพ่อไปย่อมตั้งไว้บนจุดตะเกียงจะได้บส่บสองสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นถถถถท่านทั้ ง, งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่ทุกทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สละเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์เราในฐานะนี้ครับพระบิดาเจ้าขอทอดสังข์ของพระองค์เป็นฝ่ายที่เข้ามาในใจของเราเพราะเราเองคงไม่สามารถที่จะเข้าใจทอดสังข์ของพระองค์ได้ตามการบรรยายพระองค์ให้ทอดสังข์ของพระองค์เข้าในใจซึ่งในปีนี้เราเป็นชีวิตในกระดาษนิสิตเจ้าถ้าพูดถึงพระอภีตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่นะครับอาจจะมีบางคนที่นี่ฟังไม่ใช่แค่หาดเจินนะครับฟัง การแบ่งปันและการที่สนานจากพระครัมภีร์ตอนนี้เกิดร้อยครั้งนะครับซึ่งไม่แปลกเลยนะครับไม่แปลกเลยผมเองก็ฟังมาน่าจะเกิดร้อยครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี、mm hmm. ้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะสนใจไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราเป็นอะไร、mm hmm. แต่ผมอยากให้เรามีส่วนนะครับในการที่จะทำให้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริง มีชีวิตของเราด้วยนะครับหัวข้อคำเทศนาวันนี้ผมเปลี่ยนมาห้ารอบผมตัดสินใจสุดท้ายครับว่าที่ผมเปลีอ่ยนไปแล้วครับผมขอใช้คำว่าในพระคัมภีร์หัวข้อคำเทศนาวันนี้นก็น่าจะจบนะครับถ้าหลังปุจจิบมีเว้นไว้ให้จบคำเทศนานะครับหัวข้อวันนี้คือในพระคัมภีร์นะครับถ้ามีหลังก็คือมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงสิบหกแต่เราไมีเอกสารอื่นด้วยครับผมก็ คือ cerveja iddenp on something, อยากให้เราที่ BUR ajuda bagi the body จับครูกันจับครูกัน legislature 是的เชิญครับหม Professor ค่อยกับคำนี้นึงให้เราได้จับครูกันมีครูของเรา аль disconnected เชิญครับ isce มีใครป어� baj ค proposition 입 elderly จับครูกันนะฮะคำโทษวัตร Lane ว่างหนึ่งว่าง gagner จับครูด้วยนะครับโดย本 ดัง น, นั้นเป็นคู่จริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าใครสามคนผมจะลงไปขออนุญาตพยายามให้นะครับออขอให้เป็นคู่กันจริงๆนะครับโอเคครับใครไม่มีคู่ครับขออนุญาตวันนี้วันนี้ต้องเป็นคู่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะโดยผลจากที่หนึ่งครับที่หนึ่งคู่ผมได้รับรองมากวันนี้เดี๋ยวเทสจบไปขึ้นนะฮะ ม, มีใครมีใครไม่มีคู่ครับเดี๋ยวผมจะส่งที่หน่วยของเราไปคู่ด้วยครับโอเคที่หน่วยทำก็ควรครับสิทธิ์เอ็มครับสิทธิ์เอ็มอ่อนมากเลยครับ อ, รระะอยู่ที่ห้องของเสียงครับสิทธิ์เอ็มต้องการที่ไหนเฮ้ยหรือหรือเป็นใครที่สิทธิ์เอ็มอยู่ในห้องนี้เลยนะฮะทุกคนมีคู่แล้วนะครับโอเคครับ เรามีคู่แล้วอขอทีมงานที่ผมเตรียมไว้ช่วยแจกเอกสารด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเอกสารให้เราถือไว้นะครับถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเราจะมีการได้ได้อ่านเองกสารนี้ด้วยกันทุกคนนะครับเอกสารนี้คนละหนึ่งใบนะครับผมถ่ายเอกสารมาเก้าสิบเก้าชุดนะงั้นถ้าถ้ามันแหว่งแล้ววันนี้เรามาไม่100ครบ สิบ๋ยว cues คุณที่แหละสุด cabal benim dividends เจี่ยวกับมาในขณะนี้ Chief act ครำลัง ampl 需要照าะนั่นอยู่รองฯ stations zag ตาคนที่นั่นด้วยและท ран vrai กันที่หน Bilbo ท rested hot evne ไม่รู้จักทาง่ VID ra คนที่นั่น possible ต้อง continuing the name คน Lightning หน่อยกรับด้วยคนที่รู้จักกันไว้ est Gobierno เรารู้ไหมครับว่าคนที่เล่นกับเราเนี่ยเขาเขาชอบกินอะไรตอนนี้กินครีมสิ่งแรกมีที่กินครีมกินไก่เนื้อไก่ต่างกันได้ที่ต่างกันได้ต้องต้องคุยกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะให้คุยเจ้ากินอะไรตอนนี้ผมกินผักที่นี่เป็นวันนี้วันสํารินรถนมรถ 私はおはの朝のお昼の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の朝の แ ร, รางนี้ ELL ลองตรงสารท spans พ左 ai อาท ao p โ бр พิมมานี่สุดครับ Mind Di พาพี่ชอบอะไรมานี่สุดตัว הה 睡 อ, อ่อะเดี๋ยวประพูดครับเพราะทีพงานผมช่วยแจมขั้งข้างๆได้นะ scattered obritor อุ CEO จะมี recruited ขอาพอ่อห น, น้าครับชอบผู้ใจขอคอคอสบตัวแทนมารับเลยครับสิ่งคนครับก็อิงว่าจะไม่ทำก็อิงว่าจะบอกก่อนกันดีดีดีดีอื้ออื้อโอเคสอบคุณเจ้าหยินกล่อยครับทำผมอื้ออื้ออ่ารักกว้ยนี้ วันนีด้ครับมีพี่อน้องที่เพิ่งเข้ามาทั้งหมดครับสองท่านครับท่านท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เอกสารชื่อปุอ๊บนะครับเดี๋ยวจะให้ทีแมงานไปให้ทีวันนีด้ครับคุณ よかった。 ยังไม่อยู่คู่ไหมครับถามครั้งสุดท้ายโอเคนะครับใครยังไม่ได้เอกสารครับยกมือเลยครับฝรั่งไม่มีคู่เหรอเนี่ยนะครับได้หมดแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเราจะไปต่อนะฮะเมื่อเราเองอ่านข้อทั้งทีมัดทิ้งบทที่สี่ข้อเลยบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงสิบหกนะครับเรา คือถามตัวเองไหมครับว่าในทางบังอาจว่าพี่ยิสูว์เราคุยกับใครแน่นอนครับพี่ยิสูว์พูดกับเราผ่านพ่อพระเจ้าของพระเจ้าแต่ในเวลานั้นพี่ยิสูว์คุยกับใครเคยไปตั้งคำถามไหมครับใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออ่านพระคดีตรงนี้นะครับเรามักจะคิดว่าพี่ยิสูว์พูดกับคนที่มีชีวิตที่ดีแล้วมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วเพราะพี่ยิสูว์บอกว่าอ้าวเธอ เธอเป็นความสหลักของโลกรคจะรู้ไหมไม่มาจะคิดนอกพี่ยสู cabin aluminum 結果 Celebrate piano ik k coldmGsingenlam' sates ฮม spinisson' sates. Pjunk na'afr. Pornigilasificar korming in tals. Pach coulFi. PacharaON ถ iez cauldItal Antish. Pδαokk solicit. Pachara. Af pun. Pacharaoina. Pacharaf. P simultan. Pacharan Ma. Pacharaf. Pachara. P uwagę. Pacharaf. Pacharaf. Sagaim Aldu Bebaraf. Pacharafut. Paffaraf. Pacharafb faktiskt Ritagem zaiden. Pacharaf. Pacharaf. Pacharaf defa features. คนทุกสี่สิบวันใช่ไหมถูกการทดลองอยู่ตรงนั้นมากลับออกมาแล้วเขาเลื อ, ตอกต้นการประกาศการทำปฏิทินรอบๆเป็นเวลาไม่นานเลยคนที่ติดตามพระเยซูตอนนี้แม้แต่สาวกสุดสองคนจะอยู่กับพระเยซูมาไม่พ้นปีด้วยซ้ำเขาไม่ได้เข้าเรียนวัดบีอย่างเรานะครับเขาไม่ได้ไปนั่งฟังเจอแบบพขขบระเยซูเทศน์นะครับพระเจ้าให้ฟังลักษณะของพระเจ้าเป็นยังไงทุ ก, ขกสัปดาห์ทุ ก, กสัปดาห์เป็นปีๆเหมือนเรา ก็มีาหลายคนที่มีชีวิตท、mm hmm. well. no、ี่ดีก、er、ับสาววบดีสบายระดับสามสาววบไปสุดท้ายใกล้ชิดถึงสองคนที่ต้องคุมเลือกไปดูดูอีกชิ้นหนึ่งว่ามันมีมีใครบ้างครับแก๊งชาวพมโอนสี่คนแก๊งคนเก็บภาษีแก๊งโจรแรงในการเมืองนะครับมีการรวมตัวรวมติดรวมแรงเหลือเกินบรรดานักชิปบรรดานักชิปคือพวกนักชิปเนี่ยพวกเทพข้าศน์ศาสนาดิ้นก็จะไม่แพ้ทุกข์กับพวกโจรแรงในการเมือง ครบแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะดูถูกคนใช้แรงงานคือคือไอ้ฟูรุบหลบคนพวกนี้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับในบรรดากลุ่มคนที่ตลาดขนานจะเจอเป็นที่สุดที่สุดจะเป็นกลุ่มคนที่ทำไมครับถ้าเราดูที่พระธรรมวินัยจริงๆแล้วใครบ้านมหาวิทยาลัยฟูรุบผีเข้าโศกตีอะไรกีบ แล้วพระเยซูไม่ได้มองไม่ได้มองว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ละนั้นพระเยซูมองอย่างเดียวคือถ้ามองการยอมเชื่อมาชีวิตในห้างพระเยซูบอกว่าเขาเป็นศูนย์แต่เมื่อคำพิธีเวอร์ชันเดิมที่เราอ่านกันอยู、the、่จนชินบอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกเชื่อฟังคำพิธีนั้นเป็นศูนย์บุคคลผู้ใดแล้วก็มีลักษณะแต่ถ้าดูในจำนวนเดิมนะครับมันจะคล้ายคล้ายกับพระเยซู อันนั้นซึ่งต้นล่าวิบัติแก่เจ้าของฟันที่สี่แต่ประโยคในวันที่หกที่ห้าซึ่งต้นล่าพรจะเป็นของคนหลังนั้นที่มีสุขภาพดีการเป็นพรจะถูกผสมจากที่อื่นพระเยซูพูดในวันที่หกที่ห้าก่อนในบทที่สิบก่อนในข้อที่สี่ไม่มีคนที่สูงขึ้นพระเยซูจบข้อสิบในข้อที่สองว่า そう。 เขียนสนใจพวกเราวันนี้มีสิ่งด้วยกันออกฉายให้ฟังจะได้ยินด้วยนิยมคนที่หกตั้งหกสี่จงสิบหกบอกว่าเมื่อเราพบพวกหลายคนได้ฟังเช่นนั้นชุตว่าให้คำเหล่านั้นที่ฟังผีแยกออกให้ฟังได้ตั้งแต่น้ำมาสาวุกของพวกคุณท้อหอยนิ่งตามพวกคุณต่อไปมีมีหลายคนที่ได้ยินคำพูดของมีสุขเห็นสิ่งนี้มีสุเป็นเห็นสิ่งที่ที่สุขทำในสุลับได้ ไม่เอาละนะครับผมในเวลานั้นผมก็พนกึกอะไรขึ้นมาได้ก็เช่นว่าการติดตามใช้ปุ้ยสู่ใช้ปุ้ยใจนำความคิดใช้ความเชื่อนำปัญญาใช้สัมพันนำเหตุนผลเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงที่เมื่อ ย, ยอมรับด้วยใจที่ไร้อคติแล้วนรมจริงนะครับเมื่อกี้เราอ่านบทหนึ่งนะครับวิถีของใคจคือท่านใจเราไม่มี คัดตีมากไอ้ยูเป็นใครเหรอพวกชิคกี้พายเป็นใครเหรอไอ้พวกมาเก็บประจานเป็นใครเหรอถ้าเราตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยแล้วเราเองยอมที่จะวัดใจพระเจ้าโอเคพวกจะข้าวี่ยูพระเจ้าพระเจ้าจะเชื่อในพวกหลักที่ใช่หลักธรรมให้มันรู้ลงไปว่าคำสอนของพี่ซึ่งนี้มันไม่ใช่ทำเลยเลยถ้ามันพันถ้ามันรู้จะเชื่อในยูถ้ามันวัดใจแบบนี้ก่อนง่าย サンドのお店のお店のののおお ก่อนจะบอกนะครับมองหน้าครับศกตาครับนะครับศกตาไม่มองผมครับศกตาครับศกตาครับหลายท่านเนี่ยมองอย่างไรนะฮะมีระดับอื่นศกตาครับครับอ่าเราพูดว่าคุณเป็นคำสอนของโลกอย่าอย่าพูดโชดใจนะครับช่วงนี้พี่ไปฟิตเนสยันไม่ว่างเลยอะ โอเคเอาอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนที่เวลาให้เราทำอะไรเนี่ยเราจะได้มีกำลังในการทำนะครับเราจับคู่กันอยู่นะครับขอเราขอเราต่อยิงฉุกในคู่ของเราขอให้รู้ก่อนนะครับ อย่าอย่าอย่าครับครั、huh? oh. I mean, ้ง、ah. น、ah. ี、ah. okay. uh、้ใครชนะครับใครชนะครับอีซีเอฟอิงแอดวีเจตีสองเดือนยีลาเอาเดี๋ยวทุกคนช่วยให้ผลชนะก่อนนะโอเคครับขอผลชนะอีกครับโอเคครับโค้ชรู้ใครชนะครับบอกเราเรามีเรามีผลชนะแล้วต่อไปผมจะบอกว่าโอเคเวลาจะทำอะไรจะให้เรื่องพวกมันชนะหรือผลแพ้นะครับต้องว่า thief fuc dominant v unlucky พ autres care กับคนโหลิฟตุ covid แรกว่าเขาจะเป็นคนที่บิสะท่อนพาของพอ races hope ให้กับคนูกโห зр เป็น ไ, ได้ถ้าอยัางน Pendulum สัต нав эконом ขามพวกเองตอนนี้ยังไม่ห้า ην กั น, นะครับอ ง, องั้นติด cents เราตบนเหรองเราเองเป็นคนที่มอีกส้ม ที่จะเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้เราเองเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้ท่านพี่สุรินทร์พงศ์สมไว้ใจสมวัดใจนะครับแล้วสมหวังกับคนเหล่นานั้นที่มีศุภิสูจน์แบบวันนี้เราเป็นคนนั้นแน่นอนครับเราเองต่างกับคนที่ตามท่านพี่สุรินทร์ やはい。しようとし ทำโกหกของมันมันแสดงต้องการทำลายชีวิตเรานะครับมันเห็นใครเชื่อพี่เยซูมันก็จะโกรธเพราะมันไม่สามารถพาเราไปนรกกับมันได้เพราะเราเชื่อพี่เยซูเพราะฉะนั้นมันเขาเคยไม่จีต่างทำอะไรได้แต่เรื่องนี้มันยิ่งมันไม่ได้เลิกหลานพี่เยซูและนี่เป็นคำโกหกส่วนหนึ่งครับที่ไหนนะครับสารบัญขบวน ฉันไม่สนใจค่าเลยไม่มีใครรักฉันหรอกฉันไม่มีความสามารถอะไรหรอกฉันไม่เป็นที่ชื่นชอบใครฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนที่มีโดมฉันไม่สองทางหรอกจะเป็นจะตายไม่มีใครสนใจฉันหรอกเยี่ยมครับคำโกหกคำพิษทุกสิ่งที่มาจากไปเราดูไหมครับถ้าเรารับผิดก็ไปแล้วดูไหมครับถ้าเรารับผิดก็ไป อย่างที่เห็นครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรไม่ไม่ต้องอ่านเสียงนะครับคุณตาสูญเสียความมั่นใจในตัวเองครับสงสารตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองคนชี้อายมียุติญาติในการชอบวิจารณ์ใจเศร้าหมอไม่รู้ว่าเศร้าเศร้าในเมื่อเศร้าทุกอย่างอิจฉาริษยาขี้กระบดขี้โมโหกดดันขี้กลัวประจบประแจง กิ่งและโสรเป็นคนที่แบบกินสารพืชที่โยเกิร์ตใช้โยเกิร์ตผิดกินมากเกินไปเป็นห่วงรูปร่างตัวเองมากเกินไปแต่งตัวโอ้เพื่อเรียกร้องความสนใจมากในทางอารมณ์แสดงออกและโอ้โหวดมากบ้างานเรียกร้องผิดพลาดรับใช้พระเจ้าบนแรงบันดาลใจที่ผิดผิดแล้วก็มีเยอะที่เป็นผลตามมาซึ่งเหล่านี้เป็นผลนะครับเหล่านี้เป็นอาการ ที่มันเกิดจากย้อนไปนี้ครับเหล่านี้เป็นอาการที่มันเกิดจากคำโกหกของมันและผมอยากจะบอกอีกนี้ครับขออนุญาตอันนี้รอบโพยตัวเองนิดนึงเมื่อเราพูดถึงเป็นคนบางคนที่ที่มีลักษณะใจซ่อมบอกนะครับทุกวันนี้มีอาการปีนโรคมันเป็นโรคหนึ่งที่เป็นเยอะมากที่เกิดขึ้นก็เป็นเยอะครับโรคสุขภาพเราต้องเข้าใจก่อนเป็นโรคก็ต่อเมื่ออาการมันเกิดจนเป็นอาการผิดปกติของร่างกายเมื่อไหร่ถึงจะเป็นโรค คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ป่วยเพราะว่าระบบที่มีในสมองฮอร์โมนใส่ที่บางอย่างผิดปกติที่มันผิดปกติเพราะภาวะในระบบบางอย่างมันเกิดซ้ำซ้อนกันคำโกงของมันบอกสิ่งนี้ใช่ไหมครับกลับไปดูผลครับผลตรงนี้อันดึงใจเศร้าหมองใช่ไหมครับถ้าเศร้าติดกันเกิดอะไรขึ้นครับทุกครั้งที่เราเศร้าสมองจะสั่งส่งสารที่มีบางอย่างที่ให้ร่างกายรู้สึกสะเทือนใจเศร้าได้แต่ละคนเศร้าคนละคน แล้วพอเศร้ารัวๆครับเศร้ารัวๆเราถูกทำ โ, โ, โ, โกหกเขี่ยเราให้จบจบจบจบจบล ง, ง, ง, งเลยสุดท้ายร่างกายมันจะเป็นอย่างหนึ่งครับคือมันจะไหลสารตัวนี้มาโดยไม่รู้ว่าจะให้พอได้ไหรือเปล่าแต่นี่เองครับนี่ก็ปวดคนที่เป็นเบาหวานมันจะเจออะไรครับอินซูลินออกมาสะสมเยอะเกินไปทำอินซูลินออกมาเยอะครับมีเชื้อไม่ออกครับมีกินรับการดูดมันต้องเงยอะพอที่เยอะเกินไปเป็นไงครับมันออกมาจนพ่วงแล้วครับนี้ ทำอะไรที่ถูกแล้วร่างกายทำ ไ, ไม่ที่ถูก น, นี่ฉันหยุดได้ยุ่ยามไปเยอะแล้วนะท้ายระบบทำงานชั่วดาวครับเป็นลมอ่ะเราต้องไปหาหมอทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอะไรครับผล ข, ของการโกหกของขอ ง, องมมานแต่เวลาเราจะแก้วันนี้เราจะแก้ที่ต้นเหตุแต่ใครที่ ป, ปลายเหตุเกิดจนเป็นความป่วยแล้วนะครับไป ห, หาหมอครับแล้วเชื่อสิ่งที่หมอให้ทำและอธิษฐานของพระเจ้าให้มันจบคือเรารักษากต้น รักษาปลายนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดตรงนี้อย่ารักษาต้นแล้วไม่เก็บปลายหรืออย่าตัดกับปลายไม่ถูกต้งองทำทั้งหมดครับที่นี่คือชีวิตของเราถ้าเรากลักบมาครับจากสิ่งที่ขึ้นตรงนี้นะครับอยู่หน้านี้ทิ้งไว้นะครับอย่าถามกันนะครับข้อความของตรง น, นี้ข้อมูลนี้เป็นความลับนะครับเรามีอะไร น, นี้อย่าเหมือนพูดออกมานะครับคนทั้งข้างจะรู้ความลับของเรา なので、この間、基本的には、 มี5อย่างครับใครมี10อย่างใครมีครบทุกข้อเลยครับผมมีครบทุกข้อเลยแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่มีตลอดนะมันเคยมีมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางเนี่ยไม่มีไม่เคยบางเนี่ยมากเลย ที่เราครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเราไปรู้ที่การจัดการอย่างไรครับเราอยู่ในส่วนเรียนสาระในหัวใจนั่นในหัวใจเขียนว่าอะไรครับไม่เคยมีในหัวอย่างในหัวในหัวข้อแต่สุดท้ายแรกเขียนว่าอะไรครับเราถึงเพียงครั้งหนึ่งครับที่เรามีการเปิดร้อยแน่นอนครับแต่เราอ่านเบามากนะครับเขียนว่าอะไรครับภาพจะเป็นใครในคลิป jour <talk> ท <ul> <work> ั้ง isini ้มพันร kost knee เมื่อ le แล้วเหมือน sup knee Terry até Montano. Age. Season is. fort seote C wrong. Lecture. 9. Let's work. The 3% 边 of property is 139. Babylon, Sports. Success turns on. 말 to host.un Welcome.rimude. Elo. Norm Nós. Tá lujaro Obrigado.ios nós. microbial. Past you guys <offenses> ama. Dağ cents you away.anesmust 廃 omont su 主 Since then Art ma.os terminus. moved and அ Des Coach. 우 ainen Sheer,avor <soybean join> Y d wood <into> of my wife at Dion. Amen. Whoops. Alter, pourquoi so she falar with any other feeling? No. 是不是 modern? I wonder when you can beat block a randy. susceptible to spain.ulmated film. Get what you can do? Ne ナ Poll now, Ö. If you look at those two companies. She first rub ถ้าพระเจ้าถูกนำมาให้เป็นอิริยาบถจากพระเจ้าอย่างเด่นโตพระเจ้าถูกสร้างเรื่อยมาสามสิบชีวิตมันก็จะเป็นอย่างแค่นี้นะครับผมอยากจะชวนแล้วครับวันนี้ขออนุญาตไม่นั่งอายุครับมีแรงเท่าไหร่พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วประกาศมันออกมาจริงๆเพราะนี่คือสิ่งที่คือขึ้นในชีวิตของเราแล้วตามพระเจ้าของพระเจ้าอ่านเต็มที่เลยครับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเพื่อนของพระพิษ พระเจ้าได้รับการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมนะครับอ่านเต็มที่เลยครับนะครับถ้าเกิดอ่านแล้วแบบเหนื่อยมากแบบพักหายใจตึ้งได้นะครับก็ต้องอ่านต่อนะครับแต่ว่าขอให้ขุดพลังของเราขึ้นมานะครับอย่าปล่อยให้ความหลงสาวนั่งหลับต่อระพันเทพนะฮะปลุกความหลงสาวในใจนะฮะแล้วเรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันพร้อมไหมครับว้าวขอบคุณพระเจ้าที่เสด็จมาประมาณสามสิบสองขออีกทีหนึ่งพร้อมนะครับ ครับแทบครับท่านกำลังเลือกตั้งกันครับหนึ่งสองสามพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเพื่อนของพระปริษพระเจ้าได้รับการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าถูกนำมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามีวิญญาณเดียวแต่กับพระองค์พระเจ้าได้ถูกซื้อไปแล้วด้วยราคาสูงทำเป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิชาพระปริษพระเจ้าเป็นพันมิตรชน พระเจ้าได้รับการกำหนดให้เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้ารับความพระเจ้าโดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้รับการไถ่และยกโทษจากสิ่งพระเจ้าพระโพธิบูรุษในภพิทพระเจ้ารับผลจากการที่พระสารลงโทษชั่วนิรันดร์พระเจ้าได้รับหลักประกันว่าทุกสิ่งเกิดผลดีแก่ข้าพระเจ้าพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยจากทุกข้อหาที่ฟ้องกลิบ ขัวเจ้าจะไม่มีทางถูกแยกออกจากความรักของพระเจ้าขัวเจ้าได้รับการสถาปนาเจริญและบรรทัศน์ราโดยพระเจ้าขัวเจ้าถูกซ่อนไว้กับฤทธิ์ในพระเจ้าขัวเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการดีในแค่พระเจ้าและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จขัวเจ้าเป็นประชากรในแผ่นดินสวรรค์ขัวเจ้าไม่ได้รับวิญญาณแห่งความกลัวแต่รับวิญญาณแห่งวิถีลูกภาพความรักและจิตสำนึกที่ดี พระเจ้าจะพบพระคุณและพระกรุณาในเวลาที่ต้องการพระเจ้าเกิดมาในพระเจ้าวิญญาณชั่วจะไม่สามารถแตะต้องพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างของโลกพระเจ้าเป็นแขนงของข้ออึ้งแพ้เป็นช่องทางสู่ชีวิตในโพรงพระเจ้าได้รับการทรงเลือกและแต่งตั้งให้ไปเกิดผลพระเจ้าเป็นพญานิชชีวิตส่วนตัวเพื่อพระฤทธิ์พระเจ้าเป็นพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าเป็นพูดรับใช้พวกเร gesture instructions, ฝืนดีีกับพระเจ้าค่ะพระเจ้าเป็นพระ trusts ของพระเจ้าพระเจ้านั่นเกั้ยแพขเรียบในสวัสเห800พระเจ้าเป็นคนงานของพระเจ้าพระเจ้าจะเข้าหาพระเจ้าโดยเศริธาพและฝกว่าแบ Men jay พระเจ้าจำทุกสิ่งได้ состо r wo frå flex ครั้วโคลกผู้สิทธิกำลังค่ะพระเจ้า สิทธิ์ส่งให้เราแล้วเมื่อเราการก็คือเมื่อเราร้อ ง, องเพลงนะครับวันนี้เมื่อคืนเตรียมเทศเสร็จแต่แล้วตอนสี่ทุบแล้วหลังนั้นบควรบตัวสิ่งที่เราเตรียม <c oughs> ก็ชนไม่ได้ตัดสินใจอยู่ชั่วโมงกว่าสุดท้ายเช้าคืนลูกไปนั่งทำไ ม, มก็ไม่สนใจถามพระเจ้าว่าโคก็แบบนี้จริงไหมแล้วเพื่อนเราไปนั่ง ตั้งเพลงที่พระเจ้าให้ผู้นำให้คุยร、okay. ้องแล้วเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำ ล, กลกังทุ่ทมเราชาวพิษณุโลกได้รู้ได้จดจำตรงนี้จริงๆว่าเราไปในประเทศพี่น้องครับมาจีพวกเราขอร้องกันตอนนี้นะครับอยากจะให้เราคนที่เป่าหยิบฉุบชนะนะครับขอยุติหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับใครเป่าหยิบฉุบชนะนะครับโอเคครับคนที่เป่ายิ้มฉุบชนะ ใครใ<ส>ช่ enne ผมแพรคนที่เปลี่ยน甫จุกแพ้ Gerade เดี๋ยวเราจะมีขอฟงความคราวข associated under the 杯การ ก, รายการอับมาแว анов ที่มันล่ะเราไม่ต้องอาจจังตงะโ Rocs แต่คนที่นั่นงใช้ยยยยยยย cup ถ้าคนที่ฝังอยู่นะครับคนที่เปลีช่ยน甫จุแพ้อ่านคนที่เปลี่ยน Ey Forever การการก prz นั้งได้ยินฮรรม どういうこと あ。<音楽> ซื้อไว้ด้วยถูกซื้อไว้แล้วด้วยราคาสูงพี่หนุ่ยเป็นขอบพระเจ้าพี่หนุ่ยเป็นอวัยอวะในร่างกายของพระคิดพี่หนุ่ยเป็นธรรมมิกระชอนพี่หนุ่ยได้รับการกำหนดให้เป็นบุตรของพระเจ้าพี่หนุย่ยเข้าครอบพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางวิญญาณบริสุทธิ์พี่หนุ่ยได้รับการไถ่และยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นพี่หนุ่ย ครบบริบูรณ์ในพระคิดพี่หนุ่ยรอดคนจากการคว้าสาโทษชั่วนิรันดรพี่หนุ่ยได้รับรับประกันว่าทุกสิ่งจะเกิดผลดีแก่พี่หนุย่ยพี่หนุ่ยได้รับการปลดปล่อยจากทุกข้อหาที่ฟ้องผิดพี่หนุ่ยจะไม่มีพาถูแยกออกจากความรักของพระเจ้าพี่หนุ่ยได้รับการสถาปนาเจิมและประทับตาโดยพระเจ้า พี่หนุ่ยถูกฝากไว้กับพระคิดในพระเจ้าพี่หนุ่ยมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการดีในพี่หนุย่ยและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จพี่หนุ่ยเป็นประชากรของแผ่นดินไทยแผ่นดินสวรรค์พี่หนุ่ยไม่ได้รับวิญญาณแห่งความลากลัวแต่รับวิญญาณแห่งวิถีฐานุคา้าความรักและจิตสำนึกที่ดี พี่หนุ่ยจะพบพระคุณและพระกราบลูกนาในเวลาที่ต้องการพี่หนุ่ยเกิดใหม่ในพระเจ้ามีญาณชั่วจะไม่สามารถแต่ต้องพี่หนุ่ยได้พี่หนุยหน่ยเป็นเกลือและความสว่างของโลกพี่หนุ่ยเป็นแขนงของเถาวัลย์แพ้เป็นช่องทางสู่สชีวิตในพระองค์พี่หนุ่ยได้รับการทรงเลือกและแต่งตั้ง ให้ไปเกิดผลที่หนุ่ยเป็นพยานในชีวิตส่วนตัวเพื่อพระคิดที่หนุ่ยเป็นเป็นวิหารของพระเจ้าที่หนุ่ยเป็นผู้รับใช้เพื่อการคืนดีกับพระเจ้าที่หนุ่ยเป็นพนกพัพนนงกนาานนนนงานของพระเจ้าที่หนุ่ยนั่งกับพระขินในสวัสดิ์สหายที่หนุ่ยเป็นคนย้ายของพระเจ้าที่หนุ่ย จะเข้าหาพระเจ้าด้วยเสรีภาพและความมั่นใจพี่หนุ่ยทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังพี่หนุ่ยเป็นนี่ครับจริงครับที่ก่อนฉุดแพร์พิจารณาก่อนนะครับตอนนี้ถึงเวลาของก่อนฉุดชนะแล้วครับ <c oughs> เราจะอ่านโดยเรียกชื่อของคนที่ก่อนฉุดแพร์นี้นะครับ อย่าลืมนะครับคุณพี่แพร่เมื่อคุณพิชชาต์เนี่ยเราฟังเราต้องพูดมากเลยนะอาเมนอาเมนนะครับเราต้องรับคำนั้นด้วยนะครับพร้อมเรียบครับอาเมนอาเมนพระเลือดหยาดทำไงครับพร้อมเรียบครับครับครับใช่ครับผมใช่ครับเรื่องอะไรครับเอ็มเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนเอ็มเป็นเพื่อนของพิชอาเมนเอ็มด้วยแรงช่วยและให้เป็นผู้ชอบครับอาเมนเอ็มสุขนำมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้ามีบรรยากาศกับเราอาเมน เอ็มถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงเอ็มเป็นพระเจ้าเอ็มเป็นอวัยวะในภพวิถีของเป็นอวัยวะในภพกายวิถีเอ็มเป็นที่พิศโซนเอ็มได้รับการกำหนดให้เป็นพระบุตรเจ้าเอ็มเข้าเฝ้าพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เอ็มจะรับการไถ่และยกโทษจากความผิดทั้งสิ้น Can I do one of these in English? Can you、uh, print one in English? In English, right? Okay. This is a thought. Ah,、uh, oh, okay. Yeah. Okay.、Uh, everyone is reading, but I, I can't read、oh. anything. ผมมีความถามครับเดี๋ยวใช้ความเป็นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ถามทุกคนน่าจะได้สิบประมาณ2นั้นไงเราถามคู่บอกเราว่าในเพราะคลิกทั้งหมดเนี้ยอันไหนที่วันนี้เมื่อฟังและอ่านแล้วชอบที่สุดชอบที่สุดชอบที่สุด <laughs> uh, yeah. yeah, yeah. it. s from、uh, Yon, 1, chapter 12. I'm the, I'm the son of God. Yon, 15, chapter 15. Amen. Pray d o f Jesus Christ. Yeah, yeah. yeah. I mean, I don't understand, so you know, where I can I find? Yeah, yeah, yeah, yeah, I can read it、yeah, yeah. mm -hmm. mm -hmm. in English. Yeah, E, E, John. John. Yeah, yeah, John. John 1 12.、Mm -hmm. John 15. 15. Romans.、Mm -hmm. Romans、okay. Roman 5. Chapter、yeah. 1. w o m e t i s you'll not remember that. Okay, I do. Ah. Read and I will write in English, right? Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Then okay. Inside,、yeah? okay. Okay. Okay. Okay. Will... Okay. If I've been in I will. Yeah. Oh, k check. Okay. Yeah, that、yeah, yeah. one. Maybe. How are you? เรายังคงมีความผิดพลาดในชีวิตเรายังคงไม่สบมบูรณ์ที่รู้ครับเรามีพระพริตติและเราอยู่ในพระพริตติและเราให้พระองค์จุดตัวขึ้นมาใหม่เราให้พระองค์สร้างเราขึ้นมาใหม่เดินลงไปจากตรงนี้หลังการาารักษาการให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่อยู่ในพระพริตติจริงวันนี้เริ่มที่เดียวครับเริ่มในส่วนของเราตั้งใจว่าจะกลับไปก่อนนอนอ่านกล้องเป็นเริ่มตั้งแต่ที่ช่าง ประกาศให้ชีวิตของเรารับ ร, รู้ในสื่อที่ทราบด้วยว่าเราไปในที่ไกลแล้วหลังจากนั้นเครับพี่น้องผมท้าทายนะครับมองหาคนรอบตัวคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ารอบตัวเราเขียนชื่อเขาออกมานำที่สารไปให้เขาขอพระเจ้าวยอมเขาขอพระเจ้าแสดงความรักของพระองค์กับเขาขอพระเจ้าพูดกับเขาเองแต่ถ้าพระเจ้าจะใช้เราให้พระเจ้าบอกให้เราติดห า, าแต่ถ้าไม่อย่างนั้นขอพระเจ้าส่งใครไปหาเขาก็ได้หรือบางคนถ้าอยู่ไกลขอพระเจ้าพูดกับเขาให้หน่อย นิทานเผื่อเขาชิดถิ่นเขานะครับสําหรับคนที่อยู่ใกล้ที่ในรายชื่อที่เราได้ทานเผื่อถ้าใครอยู่ใกล้คอเราไปหาเขานะไปเยี่ยมเขาแชทไปก็ได้ห่วงเขาหน่อยรักเขาหน่อยให้เขารู้ว่าเราครับห่วงเขาให้รู้ว่าเราสร้างความสัมพันธ์กับเขาหน่อยให้เขารู้ว่ามีเราอยู่ตรงนี้นะคุยกันได้หาอะไรก็คุยกันได้แล้วหลังจากนั้นครับเราได้นิทานเผื่อแล้วเราสร้างความสัมพันธ์แล้ว เราเริ่มต้นแบ่งปันธรรมกายสร้างๆง่ายๆเพราะเจ้าช่วยอะไรได้เพราะเจ้าปลดปล่อยอะไรได้เพราะเจ้ากำจัดคิงฆ่ามิชุกมาเพลินได้พื้นฐานครับแสดงนำผมใหญ่แบ่งปันธรรมกายเราใช้สัมผัสของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้เราที่ไหนตอนนี้แหละเราเป็นแล้วความสำเร็จพี่น้องครับขอมือขอมือแต่งตัวเองได้ไหมครับ ขอพูดกับตัวเองนะครับพูดกับตัวเองไม่ต้องดังก็ได้ขอให้มีเสียงความมั่นใจชั้นเป็นความสวัสดิ์ของโลกเราเอาไปครับขอพูดแบบมั่นใจนิดนึงครับขอมีแววตามุ่งมั่นนิดนึงชั้นเป็นความสวัสดิ์ของโลกใช่ความสวัสดิ์ไม่ว่าชั้นป่วยไม่ใช่ป่วยไม่ว่าชั้นนอนแง่ไม่ใช่ไม่ว่าชั้นผิดพลาดไม่ใช่หรือล้มเหลวอะไรมาไม่เลยวันนี้เดี๋ยวนี้ชั้นกำลังสวัสดิ์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 เป็นสิ่งที่ทั่วชีวิตเราที่เราแช่อยู่ในความจริงของโลกจุอยู่ในความจริงของพระเจ้าจนโรควิญญาณของพระเจ้าขับเพื่อนโรคจุฬาจนชีวิตของเราสด อ, งองปสิ่งองปมอลลวลเราไม่มีความอ้างให้คนโรคได้เห็นและในวันนั้นเราได้รู้ตัวจากรโรคจะมองหาเราปรากฏว่าท่านเป็นความสว่างที่ทำให้เราเห็นพระเจ้าและเป็นความ、mm hmm. สว่าง